ข้อที่สองเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนาตนให้ชีวิตและสังคมก้าวหน้าไปสู่ความดีเลิศประเสริฐยิ่งขึนข้อที่สามมีความไม่ประมาทกระตอรือรือร้นขวนขวายสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ข้อที่สพึงตนได้ มีอิสรภาพพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความสุขเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้มีสีข้อนี้พอแล้วประเทศไทยพัฒนาได้แน่